4. ผู้เอิบอิ่มในธรรมพระพุทธภาษิตธรรมปีติสุขังเสติวิปสัสสนเนนะเจตสาอริยปะเวทิเตธรรมเมสัาธรรมะติปันฑิตโตคำแปลผู้เอิบอิ่มในธรรมมีใจผ่องใสย่ยอมเป็นสุขบันฑดตย่อมเย็นดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ว อธิบายความคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อจะตายขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทําทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุด ข, ของมนุษย์มองเพ่นเพลินดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่าง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 บางคนสแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบริเ็นประโยชน์แก่สังคมบางคนสแสวงหาความสุขจากฌานเรียกฌานาสุขบางคนสแสวงหาความสุขจากการประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมะปีติและนิพพานสุขโดยลำดับ รวมโดยย่อว่าโลกิยสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่ ง, ง, งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกิยสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่มากก็น้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการประพฤติธรรมจนใจสงบปราจจากนิวรนเป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัย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 พระมหากษัตริย์บางพระองค์เคยทรงหมกมุ่นอยู่ในความสุขอันเกิดจากกรรมแต่เมื่อทรงสละจากกรรมแล้วทรงได้ความสุขอันประณีตมีความสุขอันลึกซึ้งกว่ากรรมมสุขมากถึงกับทรงเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอดังเช่นพระมหากัปปินเทระมีเรื่องย่อดังนี้ ในอดีตการพระมหากับปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นมีพระประเจกับพุทธเจ้าประมาณพันรูปพักอยู่ไม่ไกลกรุงพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระประเจกับพุทธเจ้าแปรรูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคาะในการสร้างเสนาสนะ บังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภาระยุ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อทรงทราบว่าพระปเจพุูธเจ้ามาเฝ้าก็สเสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบเหตุที่พระปเจคผทธเจ้ามาแล้วจึงตัดว่าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะจัดการทำเสนาสนะถวายในวันที่สาม ไม่ได้ส่งอาราธนาพระประเจกพทธเจ้าวายพระประเจกพทธเจ้าคิดว่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบภรรยาของหัวหน้าช่างโหกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากด้วยกันน้องหญิงพระประเจกพทธเจ้าบอก มีประมาณเท่าไรท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณพันรูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณพันคนเหมือนกันคนหนึ่งจากถวายภิษาแก่พระกุลเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจะทําที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระปเจกพรเจ้ารับอาราธนา นางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวป่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างปรามใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไวเ้เรียบร้อยเลี้ยงพระประเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคนนมัสการพระประเจกพุทธเจ้า แล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็ป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนทวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระประเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในวนนารรณศาลาของตนของตนพระประเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทบุญอย่างนี้ ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะเทพพระบุตรเทพธทิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกหัวหน้าช่างโ hu เป็นบุตรของกุลุมพีใหญ่ความหมายกุลุมพีคือคนบั่งคัง่งเช่นพวกพ่อค้าใหญ่เรียกกุลุมพีใหญ่ภรรยาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุลุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกัน ส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุดุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกุดุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของภิกษุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุดุมพีพันคนไม่มีญาติหรือ ภิกษุสามเณรที่สนิทสนมเลยจึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากุฎุมีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกุฎุมีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรจะทำอย่างไรละ่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบว่าเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคย เรารวบรวมทรัพย์สร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายซับกันหัวหน้าออกพันหนึ่งบริวารออกคนละ500พวกผู้หญิงออกสองร้อาที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอดพันหลังเป็นบริวารเมื่อซัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจําเดิมที่ออกไว้เมื่อเสนาสนะเสร็จ แล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอดเจดวันจัดจีวรถวายสงฆ์สองห0รูปภรรยาของหัวหน้ากุดุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคาพันหนึ่งแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอานุภาพแห่งทานนี้ขอหม่อมชันจงมีสรีระดุดดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชา พระศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษย์ยโลกหัวหน้ากุดมพีเกิดในราชตระกูลในกุกุตตะวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปินาะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตได้เป็นราชบริวาร ส่วนภรรยาของหัวหน้ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาค ล, าละแควนมัทะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้อภิเศกสมรสกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งก ก, กุตตะวดีนครวงเล็บด้วยบุญละภูปนิสัยอันสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยพระราชามหากัปปินะจึงให้คน เที่ยวขี่ม้าถามข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระรัตนตรยัยคือถามข่าวการเกิดขึ้นของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ก็ไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมสาธันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียทรงดาริว่า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 ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปีติทั้งหทรงตื้นตันพระไทยทรงถามซ้าถึงสามครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้าม้าเหล่านั้นส0มแ0นข่าที่นำข่าวรัตนะทั้งสมมาให้ทรงทราบ พระราชาตรัส ก, กับอำมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจกเสด็จออกบวชในสำนักพระาศาสดาอำมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอนุชาเทวีว่าให้พระนางสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้ามา้าให้นำไปถวายพระเทวีพวกอำมาตย์ก็เขียนสารถึงภรรยาของตนของตนเช่นชนั้นเหมือนกัน พระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุง่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อามาตย์ทั้งพันคนก็ตามเสด็จเช่นกันชาววันนั้นพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระมหากบปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เชา้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากบปินะสิ้นระยะทาง 120รโยธประทับนั่งเป่งรัสมีอยู่ใต้ต้นไสใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาขาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออาระวะัจฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตาย เราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนไตรเราบวชอุทิศพระรัตนไตรด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนไตรนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอมาตะพันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้าเลยทรงพบแม่น้าอีกสายหนึ่งชื่อนีละ วาหนาะสงระลึกถึงคุณของพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นต้นข้ามแม่น้ำนั้นไปโดยนยะก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาสงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วสงน้อมพระมนตอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยนยะก่อน เมื่อทรงข่าแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนธเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระาศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไสรมีสีด่งทองคาพระราชาทอดพระเนธเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่าแสงสว่างนี้มิใช่แสงจัน์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้น การที่เราออกบทอุทิศพระมหาสมณะโคดมนั้นพระองค์คงจักรู้แล้วสเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วสเสด็จลงจากหลังมาน้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีสเสด็จเข้าภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตะทั้งพันคน พระผู้มีพระภาคจ้าทรงต้นรับและทรงแสดงอนุปุภิกฐาเมื่อจบอนุปุภิกฐาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระาศาสดาทรงใคร่ครวรว่าบาทและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระยานว่ามีเพราะอนิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่พระประเจกวัตเจ้าและพระสงฆ์สองหมืนรูป มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัตสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาตรและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัต์ออกพลางตัดว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากรินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อค้ามา นำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื่นไปด้วยพระปีติสมอนัดพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละส0 0 0 0 0สมครั้งรวม900000รวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็น12000 0 0คนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอโนชาเทวีทรงดำริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้น<ม>เป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละวงเร็บไปว่านำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจะทาได้นี่เป็นความรู้สึกของพระนางอโนชาราชสมบัตินี้ได้นําทุกขมาให ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นําทุกมาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจะกอบบวชอุทิศพระาศาสดาเหมือนกันส่งแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ภรรยาของพวกอํามาศทราบแม้ภรรยาของพวกอํามาศเหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จเสด็จข้ามแม่น้ําทั้งสามสายด้วยรถเทียมมาโดยทํานองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้าม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 ว่าจะได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงสแสดงธรรมคืออนุปพิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปติผลแล้วส่วนพระมหากปิญเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงสแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนของตนการที่พระศาสดาทรงบันดาลด้วยฤทธิ์ มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนในเบื้องต้นก็เพราะว่าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโลนนุ่งห่มผ้ากาสายะจิตใจจะฟุ้งซ่านจิตใจไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปติผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้ว หญิงเหล่านั้นขอบวชพระาศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณพันรูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้งพันรูปนั้นพระมหากปิญะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอ ภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากัปินนทะละลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากรัปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากรัปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารบกามาสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เป่งอุทานเพราะปรารบกามาสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบความจริงจึงตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัปปินะบุตรของเราเป่งอุทานหาใช่เพราะปรารบกามาสุขไม่แต่เพราะปรารบเนกขมมาสุขนิพพานสุขจึงเป่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตัดพระพุทธภาษิตว่าธรรมปีติสุขังเสติเป็นอาทิ มีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นห้าบันดิตย่มฝึกตนพระพุทธภาษิตอุทกัญหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชนังทารุงนมยันติตัชากาอัตานัง ธรรมยันติปัิตตาคำแปลคนไขน้ำย่อมไขน้ำวงเล็บเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอธิบายความธรรมดาน้ำย่อมไหลไปสู่ที่รุ่มโดยปกติแต่คนไขน้ำผู้ฉลาดในเครื่องมือบางอย่างไขน้ำให้ไหลไปยังที่สูงได้ สูบขึ้นไปบนภูเขาก็ได้หรือให้มันไหลไปยังที่ใดที่หนึ่งเพื่อประโยชน์บางอย่างตามปรารถนาของตนส่วนช่างสอนย่อมดัดลูกศรให้ตรงตามกรรมวิธีของตนเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายช่างไม้นำไม้มาจากป่าแล้วถากและตกแต่งให้เกลี้ยงเกลาเพื่อประโยชน์แก่การทำทัพพสัมภาระต่างๆมีปลูกเกลือนเป็นต้นน้ำลูกศรและไม้ เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณคนทั้งหลายยังสามารถทำให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ฉะนานเล่ามนุษย์เราซึ่งมีจิตใจจะไม่พึงฝึกจิตของตนให้เป็นไปตามปรารถนาของตนบัณฑิตทั้งหลายเห็นดังนี้แล้วจึงฝึกตนการฝึกตนนั้นคือการคุ้มครองบังคับตนให้ดำเนินอยู่ในทางที่ดีที่ชอบอยู่เสมอ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 มนุษย์เราทุกคนได้อวัยวะมือเท้าเป็นต้นมาด้วยกันเกิดมาตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งอันเป็นอุปกรณ์สำคัญคือเวลาก็ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์เท่าๆกันมนุษย์จะดีหรือเลวจะเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่การฝึกฝนตนเองพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดหลวงเลบทันโตเศษรษฐมนุษย์เสสุ ราฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อต้องการให้ตนของตนเป็นอย่างไรก็จงฝึกตนไปทางนั้นการฝึกตนเป็นหน้าที่ของบัณฑิตโดยตรงพึงดูตัวอย่างเรื่องบัณฑิตสามเณรในเรื่องต่อไปนี้ในอดีตการสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สองหมืเป็นบริวารเสด็จไปยังเมืองพราราณสี ชาวเมืองกำหนดกำลังของตนแล้วชวนกันถวายทานตามกำลังความสามารถของตนเมื่อเสร็จพัตกิจพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาใจความว่าคนบางคนทำบุนเองแต่ไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติบางคนชักชวนคนอื่นทำแต่ไม่ทำเองเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติ บางคนไม่ทำเองด้วยไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมไม่ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติส่วนบางคนทำเองชักชวนผู้อื่นด้วยเมื่อเกิดในที่ใดย่อมได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติขณะนั้นมีบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังอนุมโมทนาแล้วคิดว่าเราจะทำบุญอันเป็นเหตุให้ได้ทั้งทรัพสมบัติและบริวารสมบัติ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าและภิกษุสาวกให้รับอาหารของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการภิกษุเท่าไรพระาศาสดาตรัสถามภิกษุบริวารของพระองค์มีเท่าไร่พระเจ้าข้ามีสองหมืนรูปถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอนิมนต์ทั้งหมด เมื่อพระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวบอกชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้านิมนต์พระสงฆ์สองหมื่นรูปมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขไว้เพื่อฉันพัตฒหาในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาและมีกําลังจะถวายได้เท่าใดขอได้โปรดบอกเพื่อข้าพเจ้าจะได้จดไว้ในบัญชีคนทั้งหลายกําหนดกําลังและศรัทธาของตนแล้วบางคนกล่าวว่าจะถวายสิบรูป บางคน20รูปบางคนร้อยรูปบางคน500รรูปบุุษผู้เป็นบัณฑิตได้จดชื่อของคนเหล่านั้นและจํานวนพระสงฆ์ที่เขาต้องการลงในบัญชีในสมัยนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมากกว่าใครทั้งหมดในกรุงพาราณสีใครๆเรียกเขาว่ามหาทุกตะแปลว่ายากจนมากบุุรผู้เป็นบัณฑิตได้พบชายเข็นใจวงเล็บมหาทุกตะนั้น แล้วบอกเรื่องที่ตนได้นิมนต์พระไว้ชักชวนให้มหาทุกตะช่วยเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งจะเลี้ยงได้อย่างไรท่านตัวข้าพเจ้าเองหาเลี้ยงตนและภรรยาก็แสนยากลำบากการเลี้ยงพระเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์ส่วนข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่ข้าวสารสักทานาหนึ่งที่จะหุงต้มกินในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทางานรับจ้างเลี้ยงเีฟด้วยความฝืดเคืองบุรุษผู้เป็นบัณฑิตไม่ได้หยุดนิ่ง ได้พูดหวานล้อมต่อไปว่าสหายท่านเห็นหรือไม่ในเมืองนี้มีคนมั่งคั่งเป็นอันมากได้บริภโภคโพชนะอย่างดีนุ่งห่มผ้านเนื้อละเอียดแต่งกายด้วยอาพรต่างๆนอนบนที่นอนอันกว้างใหญ่สง่างามเพราะเขาได้ทำบุญไว้ในการก่อนส่วนสหายทำงานจ้างทั้งวันก็ไม่ได้อาหารแม้เพียงสักว่าให้เต็มท้องทั้งนี้เพราะท่านไม่ได้ทาบุญไวในการก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงไม่ควรประมาทรีบขวนขวายในเรื่องบุญกุศลเถิดท่านสามารถทำตามสติกำลังของท่านเมื่อได้ฟังดังนั้นมหาทุกตะก็ถึงความสลดใจและกล่าวว่าขอท่านลงบรรัญชีภิกษุรูปหนึ่งสำหรับข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าจะทำงานได้ของมาทำบุญพรุ่งนี้ผู้ชักชวนเห็นว่าเป็นภิกษุจานวนน้อยเพียงรูปเดียวจึงไม่ได้จด ลงในบัญชีฝ่ายมหาทุกตะกลับไปเรือนบอกเรื่องนั้นให้ภรรยาทราบภรรยาของเขาเป็นคนดีมีความเห็นชอบกับการกระทำชอบของสามีพอเย็นดีร่าเริงด้วยกล่าวว่าเพราะชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญไว้ด้วยเกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนจนเราควรทำงานเลี้ยงพระสกรูปหนึ่งเขาทั้งสองได้ไปยังเรือนของมหาเศรษฐีเพื่อขอ ง, งานทำ ได้จังหวะเพราะเศรษฐีรับเลี้ยงพระสองถึงสามร้อยในวันรุ่งขึ้นจึงจัดให้มหาทุกตะ่าฟืนสำหรับหุงต้มเขาทกขเมนทำท่าทางธรรมะธทรมแงทำงานด้วยความร่าเริงได้มีความอุตสาหะอย่างยิ่งเศรษฐีเห็นอาการของเขาแปลกกว่าที่เคยเห็นจึงถามว่าเหตุไรจึงร่าเริงผิดกว่าวันก่อน เขาเล่าเรื่องที่ได้รับเลี้ยงพระให้เศรษฐีทราบเศรษฐีเลื่อมใสนับถือในจิตใจของเขาว่าเขาทำสิ่งที่ทำได้ยากมิได้เสยเมยว่ายากจนอุตสาห์ทางานจ้างด้วยเรี่ยวแรงกำลังทั้งหมดเพื่อจะได้มีส่วนเลี้ยงพระสักรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของมหาทุกตะเข้าไปหาภรรยาเศรษฐีขอทำงานจ้างภรรยาเศรษฐีได้ให้ตาข้าวในโรงกระเดื่อง นางมีความยินดีร่าเริงตําข้าวและฝัดข้าวเสมือนหนึ่งว่ารําละครภรรยาเศรษฐีเห็นหนังนั้นประหลาดใจจึงถามทราบความแล้วเลื่อมใสว่าภรยาของมหาทุกตะทําสิ่งที่ทําได้ยากเมื่อมหาทุกกตะฝ่าฟืนเสร็จเศรษฐีได้สั่งให้ให้ข้าวสาลีแก่เขาสีธนานเป็นข่าจ้างและอีกสีธนานให้ด้วยความพอใจในตัวเขาฝ่ายภรยาเศรษฐีสั่งให้จ่าย เนยใสยขวดหนึ่งนมส้มกระปุกหนึ่งเครื่องเทศหนึ่งและข้าวสาลีหนึ่งนานสองสามีภรรยาดีใจว่าได้ทายารรมแล้วลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ภรรยาบอกสามีให้ไปหาผักเขาไม่เห็นผักที่ตลาดจึงไปริมแม่น้ำมีใจเย็นดีร่าเริงว่าจะได้ถวายอาหารแด่ภิกษุสงฆ์ไม่อาจเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้ได้จึงร้องเพลงพลางเก็บผักพลาง ชาวประมงคนหนึ่งยืนทอดแถยอยู่ริมแม่น้ำได้ยินเสียงมหาทุกตะจำได้จึงถามว่าสะไหนจึงร่าเริงนักมหาทุกตะเล่าให้ฟังในเบื้องแรกชาวประมงพูดจาเป็นเชิงล้อเลียนว่าพระที่สันผักของแก่คงจะต้องอิ่มมากแต่เมื่อมหาทุกตะบอกว่าจะทำอย่างไรได้เขาเป็นคนจนต้องเลี้ยงพระตามมีตามได้ชาวประมงเห็นใจจึงให้เขาร้อยปลา เอาไปทำกับข้าวแต่ขณะที่เขาร้อยอยู่นั่นเองชาวเมืองก็มาซื้อเอาไปเสียหมดจนกระทั่งถึงเวลาที่พระจะมาฉันเขาจึงบอกชาวประมงว่าเขาจะต้องรีบไปเมื่อชาวประมงเห็นว่าพวงปลาหมดเสียแล้วจึงขุดเอาปลาตะเพียนสี่ตัวซึ่งหมกทรายไว้เพื่อตัวเขาเองให้มหาธุกะตะไปเช้า ว, วันนั้นพระบรมศ า, ศาสดาทรงตรวจดูปณิสัยของเวนยัยสัตว์ มหาทุกตะเข้าไปในขายแห่งพระยานของพระองค์ทรงทราบเรื่องโดยตลอดแล้วทรงดำริว่าวันนี้มหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุใดๆเลยเพราะเจ้าหน้าที่ลืมจดบัญชีจํานวนภิกษุที่เขาต้องการเว้นเราเสียแล้วมหาทุกตะจะไม่มีที่พึ่งเราควรสงเคราะห์เขาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพอพระทัยในการสงเคราะห์คนยากจน ดังนั้นเมื่อทรงกระทําสรีรกิจแต่เช้าตรู่แล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคัท ก, กุฎีประทับนั่งทรงตั้งพระไยว่าจาักสงเคราะห์มหาทุกตะมหาทุกตะนำปราตเพียนมาสู่เรือนได้มอบให้ภรรยาทำกับข้าวในตำนานกล่าวว่ามีเทพลงมาช่วยด้วยมหาทุกตะรีบไปรับพระเพื่อมาฉันที่เรือนของตนเข้าไปหาบุรุษผู้เป็นบัณฑิต ที่ซักชวนเขาให้ทำบุญแต่ปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นลืมเสียแล้วเพราะไม่ได้จดไวเขาพยายามขอโทษมหาทุกตะแต่ไม่สามารถระงับความเสียใจของบุรุษผู้เข็นใจได้เขารู้สึกเหมือนถูกประหารที่ท้องได้หอกอันคมประคองแขนร่ำให้ว่าเหตุไรท่านจึงทำผมให้ต้องพิบัติขัดข้องถึงขนาดนี้ท่านชวนข้าพเจ้าให้รับเลี้ยงพระสะกรูปหนึ่ง ข้าพเจ้ารับแล้วเมื่อวานข้าพเจ้าและภรรยาออกทำงานจ้างทั้งวันเพื่อได้ค่าจ้างมาเลี้ยงพระขอท่านจงให้พระแก่ข้าพเจ้าสักรูปหนึ่งเถิดคนทั้งหลายได้เห็นอาการของมหาทุกตะแล้วสงสารแล้วกล่าวกับบุรุษผู้เป็นบัณฑิตว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วที่ลืมจดบัญชีภิกษุรูปหนึ่งเพื่อมหาทุกตะบุรุษผู้นั้นละอายใจจึงพูดกับมหาทุกตะว่าเพื่อน ชันลำบากใจเลอเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีคนทั้งหลายได้นำภิกษุตามบัญชีของตนไปหมดแล้วไม่มีใครยอมถอนบัญชีภิกษุแม้เพียงรูปเดียวให้เพื่อนแต่ยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่รูปหนึ่งคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงล้างพระพักละประทับนั่งอยู่ในพระคันทกุฎีพระราชาพระยุพราชและ คนใหญ่โตทั้งหลายมีเสนาบดีเป็นต้นเฝ้ารอรับบาดของพระองค์อยู่ก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมพอพระทัยอนุเคราะห์คนยากจนท่านจงไปยังที่ประทับของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทำการสงเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดดูก่อนสหายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ถ้าท่านมีบุญท่านจากได้พระาศาสดาไปสู่เรือนของท่านอย่างแน่นอน มหาทุกตะรีบพุ่งหน้าไปสู่วิหารพระราชาและพยะยุพ ร, ราชเป็นต้นเห็นเขาแล้วกล่าวว่ามหาทุกตะเข้ามาทำไมเวลานี้ไม่ใช่เวลาขออาหารออกไปเสถ็ดที่ตัดเช่นนี้ก็เพราะเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเป็นคนเดินขอกินเดนินวงเล็บวิค า, าศาสตร์อยู่ในวิหารในวันก่อนๆมหาทุกตะจึงทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มาเพื่อต้องการอาหารแต่มาเพื่อต้องการทูลพระศาสดาเพื่อเสวยที่บ้านของข้าพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วได้หมอบลงที่ธรณีพระคันท ก, กุดีถวายบังคมด้วยเบญจางคะประดิษฐ์แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ในพระนคร น, นี้ขึ้นชื่อว่าผู้ยากจนกว่าข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีขอพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์และทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด พระศ า, ศาสดาทรงเปิดพระทวาลพระขันทกุฎีทรงประทานบาทแก่เขามหาทุกตะปราปรื้มเสมือนได้บรรลุจกกักรพัทสิริพระเจ้าแผ่นดินและพยุพห ร, ราชเป็นต้นทรงมองพระพักกันอย่างพิสวงแต่ธรรมดามีอยู่ว่าใครจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามย่อมไม่กล้าแย่งบาทที่พระศาสดาทรงประทานแล้วแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้นพระราชาเป็นต้นจึงไม่กล้าแตะต้องบาทในมือของมหาทุกตะได้แต่อ้อนวอนขอซื้อบาทว่ามหาทุกตะท่านเป็นคนยากจนจะต้องการบาทของพระศาสดาไปทำไมจงให้บาทแก่เราเถิดเราจะให้รับพันหนึ่งหรือแสนหนึ่งแกท่านแต่มหาทุกตะปฏิเสธเขาบอกว่าเวลานี้เขาไม่ต้องการทรับแต่ต้องการให้พระศาสดาเสวย คนทั้งหลายเมื่อเห็นว่าอ้อนวอนไม่ได้ผลก็กลับไปเหลือแต่พระราชาเท่านั้นที่เสด็จติดตามพระศาสดาไปเพื่อทอดพระเนตรว่าทยธรรมที่มหาทุกตะจะถวายพระศาสดานั้นมีอะไรบ้างหากว่าทยธรรมมีน้อยพระศาสดาสเสวยไม่พออิ่มก็จะนำเสด็จไปสู่พระราชวังอีกครั้งหนึ่งดังได้กล่าวแล้วว่าในการทําอาหารครั้งนี้มีเทพเจ้ามาช่วยปรุงด้วยเพียงพอ เปิดออกเท่านั้นกลิ่นหอมของอาหารก็ฟุ้งตลบไปแม้พระราชาเองก็ไม่เคยทรงได้กลิ่นอาหารอย่างนี้มาก่อนพระองค์ได้กราบทูลพระศาสดาตามความเป็นจริงว่าพระองค์เสด็จตามมาเพราะเหตุใดแล้วเสด็จกลับสู่พระราชมนทียนเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วมหาทุกตะทรงสเสด็จพระศาสดา ท้าวสกะเทวราชวงเล็บซึ่งปลอมมาเป็นพ่อครัวได้บันดาลให้ฝนแก้วเจ็ดประการตกลงเต็มเรือนของมหาทุกตะเขาได้มาเห็นแก้วแหวนเงินทองเต็มเรือนเช่นนั้นก็ปราบปืมว่าบุญที่ทำแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผลทันตาเห็นทีเดียวเขาได้ไปกราบทูลพระราชาขอให้นำเกวียนไปบรรทุกทรัพย์เหล่านั้นมาพระราชาให้กระทาเช่นนั้นแล้วตั้งเขาไว้ในตาแหน่งเศรษฐี อันนี้ให้ขยายความว่าถ้าสมมติว่าท่านไม่เชื่อเรื่องทานองนี้เป็นไปได้ไหมว่าพระราชาและคนทั้งหลายเลื่อมใสในขุนของมหาทุกตะแล้วนำของต่างๆมาให้มากมายข้อสันนิษฐานนี้อาจขัดกับเนื้อเรื่องที่ดำเนินต่อไปเศรษฐีนั้นทาบุญมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตสิ้นชีพแล้วบังเกิดในเทวโลก สสเสวยที่พยาสมบัติอยู่พุทธันดรนหนึ่งมาถึงพุทธบาทการนี้คือสมัยพระโคดมพุทธนี้บังเกิดในท้องทิดาคนโตของสกุลอุปถาของพระสารีบุตรในกรุงสาวัถีนางแพ้ท้องอยากถวายอาหารพระสักห้าร้อยรูปด้วยปราตะเพียนแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะนั่งบริโภคอาหารเป็นเดนของภิกษุ พวกญาติได้จัดให้เธอทำอย่างประสงค์อาการแพ้ท้องระ ง, งับลงนางให้ลูกชื่อบัณดิตเพราะเหตุที่ตั้งแต่เด็กนั้นอยู่ในท้องจนคลอดคนโง่เงอะงะในบ้านของนางก็กลับเป็นคนฉลาดนางคิดว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยของบุตรคือบุตรต้องการสิ่งใดอย่างไรหากเป็นไปในทางที่ชอบแล้วก็จะอนุโลมตาม เมื่อบุตรอายุได้เจ็ดขวบก็ขอบวชในสำนักของพระสารีบุตรเทระแม้พระเทระจะอธิบายสักเพียงใดว่าการบวชเป็นของยากทำได้ยากแต่เด็กน้อยก็ยืนยันว่าทำได้จะพยายามทำตามโอวาทของพระเทระพระเทระจึงให้บวชเป็นสามเณรมารดาบิดาของสามเณรก็ไปอยู่ในวัดทั้งเจ็ดวันถวายทานแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข เป็นวันที่เจ็ดจึงกลับบ้านเช้าวันที่แปดพระเถระพาสามเณรไปบินทบาตในบ้านในระหว่างทางสามเณรเห็นเหมืองจึงถามอุปชาว่านี่อะไรเหมืองสามเณรพระเถระตอบเขามีไว้ทำอะไรสามเณรถามเขาไขน้ำจากเหมือง น, นี้ไปหานาข้าวกล้าเมื่อนาขาดน้าน้ามีจิตไหมครับไม่มี สามเณรคิดว่าเมื่อน้ำเป็นของไม่มีจิตแต่คนทั้งหลายยังไขไปทำประโยชน์ตามปรารถนาได้ก็จะไหนเล่าคนซึ่งมีจิตจึงจะไม่อาจฝึกจิตของตนให้ดีคนต้องสามารถฝึกจิตของตนให้ดีได้สามเณรเดินต่อไปได้เห็นช่างสอนกำลังเอาลูกสอนหล่นไฟเล็งด้วยหางตาดัดให้ตรงจึงถามอุปชาว่าลูกศรมีจิตหรือไม่ เมื่ออุปชาตอบว่าไม่มีมเธอจึงคิดโดยไ n ย a ก่อนเดินทางต่อมาอีเข็นช่างถากถากไม้ทําล้อเกวียนเป็นต้นอยู่เธอถามพระอุปชาและคิดโดยไ n ย a ก่อนสามเณรบัณฑิตมีความคิดอันลึกซึ้งด้วยการเห็นสิ่งต่างๆเพียงเท่านี้เธอน้อมนําเข้าปรารบตนว่าเมื่อช่างสอนดัดลูกสอนได้ช่างไม้ถากไม้ให้เป็นไปตามต้องการได้ บัณฑิตก็ควรฝึกตนได้เธอได้บอกอุปช่าว่าขอกลับไปวัดและขอให้พระอุปชากรุณานําอาหารที่มีปลาตะเพียนมาให้ด้วยจะหาได้ที่ไหนเล่าสามเณรพระเถระถามท่านผู้เจริญหากไม่ได้ด้วยบุญของท่านก็คงจักได้ด้วยบุญของกระผมพระเถระอนุญาตให้สามเณรกลับเพราะรู้อัธยาศัยและได้มอบ ลูกดานวงเล็บลูกกุญแจให้ไปด้วยสามเณรกลับมาบำเพ็ญสมนธรรมอย่างความรู้ลงในกลัดชะกายของตนพิจารณาอัตภาพอยู่พระเทระรับภาระของสามเณรแล้วคิดว่าทำอย่างไรหนอจึงจะได้อาหารคือปลาตะเพียนท่านตัดสินใจไปสู่เรือนของอุปถาคคนหนึ่งซึ่งเคารพเลื่อมใสในท่านมากพอดีวันอุปถาค ได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวกำลังนั่งคอยการมาของพระเถระอยู่เมื่อเห็นพระเถระก็ดีใจนิมนต์ให้นั่งถวายอาหารมีรถปลาตะเพียนพระเถระแสดงอาการว่าจะลุกไปฉันที่วัดเพื่อให้สามเณรด้วยแต่อุปถาขอร้องวิงวอนให้ฉันเสียที่บ้านและว่าอาหารที่จะนำไปนั้นมีอยู่จะถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระ สันเสร็จแล้วประทากได้ถวายอาหารเจือด้วยปลาตะเพียนอีกจนเต็มบาทพระเถระรีบกลับมาด้วยเป็นห่วงสามเณรฝ่ายสามเณร น, นั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ได้บรรลุผลสาคือโสดาปฏิผลสกทาคามิผลและอนาคามิผลวันนั้นพระศาสดาของเราทรงพิจารณาเห็นเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับสามเณรแล้วทรงดำริว่า บัดนี้สามเณรบัณฑิตได้บรรลุอนาคาม่ผลแล้วและอุปนิสัยแห่งอร h a t ตผลของเธอมีอยู่หากเราไม่ช่วยภาษารีบุตรจะนําอาหารมาทําลายสมณธรรมของสามเณรเสียดังนี้แล้วเสด็จไปดักภาษารีบุตรอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อชะลอเวลาเมื่อภาษารีบุตรมาถึงภาษาสดาจัดถามปัญหาสี่ข้อเกี่ยวกับเรื่องอาหารว่าอาหารย่อมนํามาซึ่งอะไร นำเวทนามาพระเจ้าข้าเวทนานำมาซึ่งอะไรนำรูปมาพระเจ้าข้ารูปนำมาซึ่งอะไรนำผัสสะมาพระเจ้าข้ามีคำอธิบายโดยย่อดังนี้เมื่อบุคคลหิวบริโภคอาหารบำบัดความหิวแล้วสุขเวทนาย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นวันณสมบัติย่อมมีในสรีระคือทำให้รูปเปล่งปั่งมีนวล ต่อจากนั้นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามย่อมได้สุขสัมผัสขณะที่พระสารีบุตรแก้ปัญหาพระศาสดาอยู่นี้สามเณรได้บรรลุพระอรหัตผลพระศาสดาทรงทราบด้วยพระาญาณแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระเถระนําอาหารไปให้สามเณรพระเถระไปเคาะประตูสามเณรออกมารับบาตวางไว้แล้วเอาพัดก้านตาลพัดพระเถระเมื่อพระเถระบอกให้ฉันจึงฉันเด็กอายุเจ็ดขวบ บวชแล้วบรรลุพระอรหัตผลในวันที่8ประหนึ่งดอกประทุมอันแย้มบานแล้วด้วยประการลัชนีบ่ายวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องสามเณรบัณฑิตพระศ า, าสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบัณฑิตย่อมเป็นอย่างนี้คือเห็นคนขายน้ำจากเหมืองช่างสอนดัดลูกสอนเป็นต้นแล้วย่อมน้อมนำเข้ามาในตนและฝึกตน ย่อมสามารถบรรลุอรหัตผลได้โดยพันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าอุทกันหินยัยติเนติกาเป็นอาทิมีนยลังพันนามาแล้วแต่ต้นฉนีแลอยังธรรมกถาสาธายสมันเตหิสันลักเเคตาอาตี เห็นคนไข้น้ำข้าวนาเห็นช่างสอนดัดลูกศรเห็นช่างไม้ดัดไม้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีชีวิตนก็ยังบังคับได้นี่ยคนเรามีชีวิตจิตใจเนี่ยรับรู้ได้ทําไมจะบังคับตนเองไม่ได้ฝึกตนไม่ได้เนี่ยพอน้อนมาอย่างนี้ก็ทําให้เกิดปัญญาได้พิจารณาอย่างนี้ในคนมีวิปนิสัยปัจจัยนะ ดัรนั้นบัณฑิตนี้ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่หรือว่าได้ศึกษามากเป็นเกณฑ์คนศึกษามากๆเป็นผ่านก็เยอะแยะไปพอศึกษาไปในทางที่ผิดดังนั้บัณฑิตแม้ตัวเล็กถ้ามีความเพี้นถูกต้องเนี่ยก็ยังประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมให้สำเร็จได้เหมือนกันเนี่ย ก็ดีนะได้ขอคิดได้ความรู้หลายๆอย่างนี่โดยจะพอกการดำเนินชีวิตดังที่เราเขียนคํานำคําป่ารบไปเนี่ยคนเราถ้าปราชจากักรมปราชจักความดีแล้วเนี่ยชีวิตก็เปล่าประโยชน์รือเรียกว่าเป็นหมันเปล่าเนี่ย พออยู่ไปก็มีแต่สร้างทุกข์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมมีแต่เพิ่มทุกข์ว่างั้นต้นะตนเองแทนที่จะได้รับความสุขแต่ก็ไม่ได้รับเนะพราะการกระทำของตนเนะพราะตนมีความเห็นผิดแล้วนะการกระทำมันผิดการพูดผิดการคิดผิดมันก็นำทุกข์มาสู่ตนและคนอื่นและสังคมส่วนรวมประเทศชาตินะีนะ่บนะุคคลจึงควรฝึกตนนี่ ฝึกตนก็คือเอาธทรำรนะี่มาฝึกนี่ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนี่แหละภาสิทธนินี่ถ้าพาศจัก ร, รมแล้วก็อยู่เป็นทุกข์นี่ทก็ต้องไปพาวนาพิจารณ์นะพอทำรรนี่ถ้ามนว่าเป็นภาษากลางๆอยู่เนะยังไม่ดียังไม่ชั่วองนีถ้าเพิ่มกุศลธรรมก็มา หรื อ, อกุศลธรรมเนี่ยก็จะแยกกันเป็นสองส่วนนะนี่แต่คําคว่าประพฤติธรรมในที่นี้นะก็รู้กันโดยนัยยะก็คือทําส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยให้ผลคือความสุขพอท่านตัดถึงผลคือความสุขก็หมายถึงกุศลธรรมเนี่ยคือความดีงามเนี่ยจึงเรียกว่าต้องศึกษาทางแห่งความดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้นํามา เราส Adams, าาู่ก Adams, London, นันฟังอ่านสู่กันฟังนะเพื่อประดับความรู้เให้เกิดความเข้าใจได้ปัญญาเพิ่มขึ้นอะเ้แเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีผมเองก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเขา้ขามาศึกษาธรรมะให e. mm. ม่ๆก็จะชอบธรรมบทนะคือเรามันปัญญายังไม่มาก ต้องมีเรื่องราวนิทานประกอบเพื่ให้เกิดความเข้าใจเขาเรียกว่าปุกลาทิฐานเนี่ยถ้าจะใช้ธรรมอาทิฐานอย่างเดียวบางทีมันก็เครียดบางทีมันไม่เข้าใจมันก็ง่วงเนี่ปัญญามันยังไม่ปลอดโปร่งทะลุแต่ถ้า ม, มีปุกลาทิฐานเข้ามาประกอบทําให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเนี่ยด้านในธรรมบทนี้ก็ดังที่ อาจารย์ประสินเขียนไว้นี่นถ้าเราศึกษาทําให้เราได้รู้แก่นแท้ของศาสนาไปด้วยนั่นก็คือพุทธภาษิตถือว่าเป็นแก่นแท้เนี่ยนี่พุทธภาษิตนี่คือพระองค์ตัดเองเนี่ยส่วนที่ขยายความทําให้เกิดความเข้าใจนี่เพราะบางทีพุทธภาษินี้เราก็ไม่มีปัญญาจะตีความได้ละเอียดเนี่ยแต่ทันจึงยกเ่าพระเถระพระมหาเถระเนี่ยพัด พุทธโคสาอาจารย์ซึ่งเรียกว่าโด่งดังมากในด้านรจนาคำพีนี่แต่อาจารย์บางท่านมาองค์ก็วิาพากษ์วิจารณ์ท่านเหมือนกันนะท่านก็ก็ไม่รู้น้อง้งเป็นพันๆปีนี่พันปีแต่ก็พอประเมินได้ว่าท่านรจนาออกมาเป็นส่วนดีมากเลยเป็นการขยายพุทธพจน์ให้เกิดความเข้าใจให้ตื้นขึ้น สําหรับเรามันปัญญาน้อยไม่เหมือนคนแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการอธิบายขยายความเหมือนเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะอ่านไปอ่านไปบางทีมันก็ไม่เข้าใจเลยบางทีได้ฟังจากครูบาอาจารย์ผ่านประสบการณ์คือการปฏิบัติบ้างมาประกอบเนี่ยก็ทําให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นดังนั้นการอธิบายธทำที่เรียกว่าอรธิการฐานดีกาอาจาร ย, าารย์และอาจารย์ถ่ยยายความเนี่ย ก็เป็นประโยชน์นะสำหรับผู้ที่ปัญญาไม่มากพอที่จะเข้าใจพุทธภาสิตได้นะดนั้นเราจึงมีการขยายความก็คือการแต่งกระทู้้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในพุทธภาสิตมากขึ้นว่าใครมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในพุทธภาสิต ท, ที่พระองค์ทรงตัดนั้นนันก็แสดงถึงปูมปัญญาความสามารถของผู้ศึกษา แสดงออกนะเหมือนปูที่เขียนเนี่ยอาจารย์วะสินิ์นี่ก็เก่งเนี่ยแต่สามารถขยายความออแล้วก็ดีตรงที่ว่าสามารถเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเนะี่ยเข้ามาประยุกให้เห็นชัดเจนเนะี่ยเห็ น, นโทษเห็นคุณของการเป็นอยู่ในปัจจุบันนะว่าความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันนี้เป็นไปถูกต้องตามธรรมไหมเนี่ย ที่สังคมบุ่นวายเป็นเพราะอะไรเนี่ยก็สามารถอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเป็นเพราะคนคนเหินห่างเหินห่างจากพุทธธรรมหรือคำสอนของพระเจ้านั่นเองเนี่อันนี้ก็ทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะ